50 languages. ท so. ี juice, ่ร้านอาหารสองอนาบ்ตติ்ยขอน้แอปเปิลค่ะไดเอว i ตต์โคขอน้มะนาวค่ะ ได้ยับิ๊ดตัววุ่นเลมอนจูสโดงเกลขอน้ามะเขือเทศค่ะได้ยับิ๊ดตัววุ่นตะกะลี่ผลัดจูสโคดังเกลดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะเยนักวุ่นกลาสซิแกปป์ไวน์เบนด์ดมดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะเยนักวุ่นกลาสเบลเล่ไวน์เบนด์ดม ที่ฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะยนักกบอัชม เ, เวนดมคุณชอบปลาไหมคะุงกัลกูมีนปดกูมอคุณชอบเนื้อบัวไหมคะุงกอมอติรชีดกูมคุณชอบเนื้อหมูไหมคะ ุுง ன ்ลก இ ปันรีிรி ட ปิ்ิก ம มองดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เยน க ு இ รை ச ปิிิ ல ் ல มั ல ் உ น வ ว வ ே ண ் ட ด ம ்ดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดเยนักค อ, อ, อ ย, กยเกลิก கலவை வேண்டும் ดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ ங ด க ள ு க ்กு சாதத்துடன் வேண்டுமா? คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะอดีวุ้งก க ลก็นูเนดลส ட ன ் வேண்டுமா? คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะ อัดวุ้งกุลกุுุ่ยๆพริร้งกุลดันเว้นด์มารสชาติไม่อร่อยอดันสบ வ ยนันราาாาก ல อิைลยอาหารเย็นชืดซอสพอเดอร์อร่ க ுคุล் ந น த ிดு க ் க ி ற த ுดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้น้ ன ் இ ินด உ ண วุ க ் க ு ஆ อ, ออเดอร์ ய สียไ ல เลย